ยาสานุภาวตโยยาคาเนวทัาเซนติเพิงสนังยามมีเจวานุยุนฉันโตอักรตินทิวมาตานทิโตสุขังสุปฏิสุโตจะปะปังกินเจตนะปัตสติ เอวามาทิคุณูเปตังปังกริรตังตังพันนาไเห การณียามาทักุสเรณายันตสันตังปะทังอภิสเมจะสะกัวอุโชจะสูโชจะสุวจจะสมุทวนติมานิสันตัวสะกัวจะสุพังโรจะอาปกิตจจะสันลากวติสันตินริโยจะนิปกวจะอาปคาพวกุเลสวนนุเกตทนาจัวธรรมาจังเรกิน จีเยนาวินปังเรอุปวะตเทยงสุขิโนวาเข้มมิโนโหนตุสพภัสตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาปุณติตัสสาวาถาวังราวนาวเสสาธีขาวาเยวะมหันตามาชิมังระสกาอนุกัตถุลาธิตาวาเยวะอเทธาเยวะทวนเร เวสันด์อวิทวงเรืูทาวตาสามภเวีวสามส萨ตาภวันตุสุขกตตาปันรวันรังนิโกเพธาาธิมันเยธกาธจินากินจิพยากรวสนาปฏิคสัญญาาแมนญาสทวขมเฉยมาตาญาานิยังพวตมายุสาเอกพวตมนุราเกเอ วามปิสาปะพัวเตสุมาณังผาวเยะอปังริมานังเมตันจะสัพพโลกัสสมิมานสังภาวเยะอปังริมานังอวดทางอโถจติริยันจะอสัทำทางอเวงรมมาสปาตังติดทางจังรังนิสินโนวาสยาโนวาญาวตาสวิตมิโทะเอตังสติณัทิเทยัม พระมเมตตาวิหารรมิธรรมภูเทรเทญจะอนุปัฏฐมาเสวะวาทเสนนสัมปันโนกามสุวินัยยเคทางนาหิชาตุคาภาษยปูนเทติ